ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดคำพูดเสมอเวลาเทกไปสัมผัสหรือพูดไปสัมผัสท่านจะนําออกมาพูดเสมอทั้งที่เขียน ไ, ม, ไม่ในมตุตโตไทยก็ดูเหมือนมีแต่ท่านท่านไม่ยแยกท่านพูดรวมๆ ม, มาไว้นี่เวลาเราเขียนมราท้อแยกออก คือพูกเขียนนั้นไม่ไมแย่คื่ตัวไทยว่าไม่แย่ท่านพูดบางครั้งท่านก็นไม่แย่แต่ก็ทราบได้พ่ายกต้นขึ้นมาแล้วกิ่งก้านก็นมาด้วยกันธรรมะของพระพุทธเจ้าตามธรรมชาติแล้วเป็นของบริสุทธิ์แต่เมื่ออาศัยมาถึงะถิอยในปุถุชนก็กลายเป็นธรรมะปลอม เมื่อถึงที่ถึอยู่ในพระเรียบุคคลจึงเป็นธรรมจริงธรรมแท้มีท่านพูดรวมๆเอาไว้คำว่าอริยบุคคลมีหลายชั้นพระโสดาก็เป็นพระเรียบุคคลขั้นต้นพระกิทานาคาอรอรหัสเป็นสี่ เมื่อแยกแล้วก็พระโสดาผู้บรรลุพระโสดาบรนธรรมะในขั้นพระโสดาบก็เป็นธรรมะจริงธรรมะบริสุทธิ์สำหรับพระโสดาแต่ส ก, กิทาคาอนาคาอรหันในธรรมขั้นเหล่านี้พระโสดาต้องปรอมแม้จะจดจำได้รู้แนวทางที่ปฏิบัติ อยู่ก็ตามก็ยังปรอมอยู่ทั้งรู้ถ้ากสธิธาก็ยังปรอมอยู่ในขั้นอนนาคาอรหันต์ถ้าอนาคายัางปรอมอยู่ในขั้นอรหัตธรรมจนกว่าว่าถึงบรรลุถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วนั่นแหละทำสมบูรณ์เต็มส่วนภายในใจิตใจไม่มีปรอมเลย บางรายกระคานมาทำของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของจริงเป็นของมือสุดอยู่ที่ไหนต้องมือสุดเช่นยากับทองคำํำน่าจะตกลงในตมในโคนก็ต้องเป็นทองคําถ้าไปตกใป็นโกลงปนไม่ได้ถ้าไม่ได้บอกหนึ่งทองคําก็ก็ต้องเป็นทอง ค, งคลลํ า, ออาคตคแต่ว่าเราจะปฏิเสธได้ยังไงว่าไม่มีตมมีโกนติดเปลือนทองคํานั้นนะ ทองคําที่ไม่ได้ตกในตมในโคนกับทองคําที่ตกในตมในโคลนมันต่างกันหรือไม่มันต่างกันน่อันหนึ่งทองคําที่บริสุทธิ์ล้วนๆอันหนึ่งทองคําที่เกลียวไปได้ตมในโคลนเราจะว่ามันบริสุทธิ์ได้ยังไงถ้าเราจะแยกออกมาพูดประการที่สองประเช่นเดียวกับอาหารของเราที่ควรจะ ก, การรับทานแล้วหยิบยกขึ้นมาจากภาชนะกําลังจะรับทานแต่ถ้าตกจากมือลงไป ถูกสิ่งสกปรกไปเสียอาหารแ่าจะควรจากการรับฐานก็ไม่ควรเพราะมันเปื้อนสกปรกไปหมดแล้วนั่นหรือภาชนะที่เปื้อนอาหารจะสะอาดอย่างไรก็ตามเมื่อเข้ามาสู่ภาชนะที่เปื้อนแล้วอาหารนั้นสิ่งนั้นต้องเปื้อนไปตามแล้วมันบริสุทธิ์ได้อย่างไรเมื่อมันเจือด้วยของเปื้อนเช่นนั้นของสกปรกอยู่เช่นนั้นนี่ธรรมะของอริยาก็เช่นเดียวกันภาชนะก็หมายถึงใจ มีใจเท่านั้นเป็นคู่ควรจะทำที่นี้ใจยังมีความสกรปรกมากน้อยอย่างไรทำที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องมีความสกรปรกไปด้วยท่านเรียก ว, ว่าปลอมหมายถึงไม่บริสุทธิ์แ <c> ค <oughs> ่ทนี้แยกจากนั้นมาเช่นมาดูในคำพีบบ์ใบไบลานตามตำหนักตำลตาก็เป็นธรรมแต่เราไปเรียนมาจากนั้นมาจดมาจําหัวใจของเราทั้งหมดเต็มไปด้วยกิเลส ธรรมที่เข้ามาสู่จิตใจของเราก็กลายเป็นทํามตดธรรมจำใบเสียไม่ใช่ทํามจริงนั่นหากว่าเป็นธรรมจริงแล้วต่างคนต่างเรียนมาด้ด้วยกันทําไมทิ่เล็กจริงไม่หมดจากหัวใจเต็มใจยอยู่ทั้งๆที่เรียนรู้ทุกกิ่นทุกอย่างจนกระทั่งถึงนิพพานแต่ใจก็ยังไม่ค้นจากความมีทิ่เล็กที่เต็มตัวนี่มันตอมอย่างนี้เองหากว่าเราได้นําธรรมะของพระพุทธเจ้า ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติออกแสดงด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้โดยถูกต้องแล้วธรรมะจะจริงไปตั้งแต่ความจดจาเพราะจดจำเพื่อจะเป็นแบบแปลนแผนถังจริงๆให้จดจำศัพท์จะว่าจดจำแล้วไม่ทำการแบบแปลนแผนถังเช่นเดียวกับบ้านหลังจะมีกี่แปลนก็ตามมันไม่สาเร็จ เป็นบ้านเป็นเดือนขึ้นมาได้ก็มีแต่ แ, บบแปลนเท่านั้นี่ร้อยี่พันแปนก็เป็นแต่ แ, บบแปนเรียกบ้านไม่ได้จนกว่าผู้นั้นจะถูกสร้างบ้านหลังนัง้นๆขึ้นมาตามแปนนั้นนั้นให้สมบูรณ์แบบตามแปนแล้วจึงจะเรียกว่าบ้านนั้นสมบูรณ์ได้การจดจาเพื่อจะไปพิสปิบัติเป็นอีอย่างการจดจา เ, เฉยเป็นอีอย่าง แต่ยังไงก็ไม่พ้นจากการปฏิบตัติต้องในปฏิบตัติการเมื่อปฏิบัติแล้วปฏิเวทาคือความรู้แจ้งแทงตลอดไม่ต้องสงสัยก็ต้องเป็นไปโดยลำดับต า, ตามความสามารถแห่งการปฏิบตัติหากว่าถ้าพุทธเราได้หยิบยกปริยัติกาปฏิบตัติขึ้นเป็นความจําเป็นเป็นความสําคัญภายในตัวสมกับศาสนาเป็นของสําคัญแล้ว ศาสนาหรือบุคคลจะเป็นผู้เด่นด้วยคุณธรรมเด่นด้วยความประพฤติเด่นด้วยความรู้ความเห็นที่เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นแจ่มตและส่วนรวมมากมายกายกองทีเดียวอันนี้ศาสนาก็สักแต่ว่าจำได้มีในคาพือใบลานเฉยตัวคนก็ไปอีกแบบการความจดจําก็เป็นอีกแบบหนภาคปฏิบัติก็เป็นแบบมันเข้ากันไม่ได้ทะเลาะ ก, กันทั้งวันทั้งคืนภายในบุคคลคนเดียวนะั่น ทีนี้ก็ทําให้เป็นการแสลงแทงตาแทงใจของคนอื่นสะดิดใจคนอื่นเปเหมือนว่าทาไมถ้าพูดเราว่าถือกจศลสนะแล้วทาไมกลับเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันถูกเรื่องของเขาที่เขาทำหนึ่เราหาที่ค้านของไม่ได้ส่วนไหนที่ผิดเราต้องยอมรบับก็หากได้นำการปฏิบัติออกเป็นคู่เคียงกับไปยัดแล้วผลจะคืงตารกด สิ่งใดที่ปรากฏขึ้นด้วยใจจากการปฏิบัติได้รู้จริงเห็นจริ ง, ร ง, รงตามขั้นตามกลุ่มของตนแล้วจะพูดได้โดยถูกต้องตามหลักแห่งการปฏิบัติที่ได้รู้ได้เห็นมาชั้นนั้นๆไม่สงสัยและการพูดก็มีมความอาจอากหารด้วยเพราะรู้จริ ง, รงๆเห็นจริงๆแต่สติาทานที่ไหนไม่มีทางสติทานเพราะไม่ได้รู้ได้ครําไม่ได้ไปยืนม อ, อ, องถ่ายมาพูด เอาออกจากสิ่งที่รู้ที่เป็นที่เห็นที่เข้าใจแล้วมาพูดจะผิดไปที่ตรงไหนแลจะจะทกสะท้านหาอะไรเพราะต่างคนต่างหาความจริงอยู่แล้วเราก็รู้ความจริงตามกํากลังของเราพูดออกตามความสามารถของตนจะมีความสะทกระท้านที่ไหนไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยท ร, ราบว่าพระองค์ไปยันเรื่องพระนิพพานมาตากไหนนอกจกมีองค์แปด มักฌิมาปฏิบัติเขาไม่เคนมาจากที่ไหนวงขุดค้นขึ้นตามกำลังความสามารถของโงค์เป็นประทั่งให้ทรงรู้สรงเห็นเป็นที่ทอพระไถ่นั่นำมาสอนโลกได้ทั้งนั้นใครจะไ้สามารถยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าทั้งที่ไม่ทรงยันมาจากไหนยังเป็นสัพพันดูรู้โดยพระองค์เองด้วย ในศาสนาถ้าจะกจะให้มีคุณค่าสมกับศาสนาเป็นของมีคุณค่าแล้วคนก็ควรจะทำตัวให้มีคุณค่าขึ้นมาตามหลักศาสนาที่ทราสอนไว้ภายในตัวเองก็ได้รับผลรับประโยชน์ไม่ต้องแบกคัมภีร์อยู่เฉยให้หนักบาแต่นอกเหนืนั้นจิตใจก็ยังไม่มีกิเรนตัวไหนที่พอถลอกมัง่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่สมชื่อสมนามไม่สมกับความ กพระประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อขัดสอนที่เหลืเอาไวะตามหลักธรรมเรากลับมาแบกี่เหลือสด้วยการจดการตามการเรียนเดิ่มากน้อยเลยเข้ากันไม่ได้เนื่อทำกลายเป็นโลกมันเป็นได้อย่างนี้เองทำเป็นธรรมก็ดังที่ว่าเรียนมาแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วต้องรู้ความจรงิงเพราะในเนื้องการสอน ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนั้นเป็นสอดคล้ายธรรมด้วยกันทั้งหมดไม่มีทางที่จะผิดและแต่เป็นความผิดนอกจากผู้ปฏิบัติจะเป็นความผิดเพอบันทังของเองแล้วปฏิบัติไปนั้นมีทางผิดได้เพราะปีนเกี่ยวกับความจริงคือธรรมที่พระองค์สอนไว้าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า หากเป็นงสินค้าต่างๆนี้ประกาศท้าทายได้เลยไม่ว่าจะนำไปสู่ตลาดใดที่มีวัตถุืินอื่ น, าานสินค้าอื่นอยู่มากมายกายกองพอนำสินค้าคือสาสนาธรรมนี้ออกไปถึงจุดใดจุดนั้นตลาดลบไปหมดเพราะคนหาของดีอยู่แล้วจ้าอ่าน ทำไมจะไม่ทราบแม้แต่เด็กยังทราบผู้ใหญ่ทำไมจะไม่ทราบแต่นี่ไม่ใช่วัตถุที่จะออกประกาศค้าขายหิือแข่งขันกันได้อย่างนั้นนอกจากโดยเหตุโดยผลโดยหลักความจริงที่มีอยู่และผู้ปฏิบัติจะถึงรู้พึงเห็นโดยลาทางคนเดินทางนและผู้ที่รู้ที่เห็นก็ไม่ใช่เห็นเพื่อจะสั่งสมกิเลสเพื่อจะสั่งส ม, สมการโอ้อวกการดื้หยิ่งจองหองขึ้นสําหรับตัวซึ่งเป็นเรื่องของกิเลส ท่านผู้ใดมีความรู้ความเห็นมากมายเพียงไหลก็เป็นการถอดถอนที่เหลือซึ่งเป็นค่าสิทแต่ตนและผู้อื่นออกได้มากน้อยเช่งนั้นแล้วไหนจะพระเท่าโอออ้เถ้าอวดซึ่งเป็นการส่งเสริมที่เหลือขึ้นแล้วก็ไม่สมกับว่าปฏิบัติเพื่อแก้เพื่อถอดถอนที่เหลืออีกด้วยอ เ, เพื่อเห็นนี้เองผู้ปฏิบัติเป็นธรรมรู้มากรู้น้อยเทียงไหท่านจึงเป็นไปด้วยความสงบ ควรจะพูดหนักเบามั่งน้อยทั้งกับพูดไปเสียให้คนพูดก็ไม่หนักอยู่ไปแบบสมณะคือสงบด้วยเหตุด้วยผลพูดก็พูดด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยที่ท่านว่าสมา น, สนานั้นจะดัชนีเอตมังธรมุตมังการเห็นสมณะพูดสงบจากบาปเป็นมงคลอันสูงสุดน สมณะตั้งแต่สมณะที่หนึ่งที่สองที่สา ม, ท, สามที่สี่ขึ้นไปหน้าที่หนึ่งพระโสดาที่สองสจิทาคาอ น, นาคาพระละหัตเป็นเรียกว่าสมณะเป็นขั้นขั้นถ้าเราพูดในเป็นบุคลาที่ฐานหมายถึงท่านคู่ควรสมณะตามท่านรวมแห่งธรรมนั้นๆเช่นพระโสดา พ, า พ, ออนนะาพระสกิทาพระอนาคาพระละหัตก็เป็นมงคลแก่ผู้ได้หวิได้ยินได้กราบว่าบูชาท่าน มีเป็นขั้นนอกย้อนเข้ามาภายในการเห็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามภายในจิตใ จ, จด้วยการพิจารณาสัจธรรมเป็นเครื่องเปิดเผยมรรคผลนี้ขึ้นมานั่นเป็นมูลควาสูงสุดยิ่งแหย้อนเข้ามาให้เป็นประโยชน์สาหรับตัวเราไม่งั้นเราก็จะคอยมองหาตั้งแต่สมณะภายนอกอ องไหนท่านเป็นพระโสดาองคไหนท่านเป็นพระกีธาองคไหนท่านเป็นพระอนาคาองค์ไหนท่านเป็นพระอรหันต์องคไหนท่านก็มีมีเบอร์เหมือนเบอร์ในร้อยในพันจะไปรู้ท่านได้ย่างนนี้ี่ถ้าท่านเป็นพระโสดาสกีพระคาอนาคาจิจะไม่มีทางทราท่านได้ด้วยอากัปกิริยาที่ท่านจะมาแสดงท่านสะมาแสดงออกท่าออกทางดังที่โลกสกปรกทำกันอย่นี้ท่านไม่ทําท่านทําไม่ลงไม่ใช่วิสัยที่ท่านคุยสะอาดคู่ มุ่งต่ออัตถธรรมผู้เป็นอัตเป็นธรรมแล้วจะทำได้อย่างนั้นการที่จะหาสมณะอย่างนี้มากลับมาว่า้มันไกลไปมันดูห่างเห้นไ่าบจะเดืพบปากท่านเมื่อไหร่โอวาทอันใดท่านสอนบุคคลลงเพื่อให้บรรลุถึงสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามนำโอวาทนั้นเข้ามา ปฏิบัติต่อตนของเราเพื่อให้สําเร็จเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นมาพนานในจิตใจของเรานี้เป็นความเหมาะสมอย่างยิง่งเรียกว่าจับถูกตัวเลยไม่ต้องไปตามร่องตามรอยหรือตะคุบเงาที่ไหนให้เกี่ยวหรืเเอเลื่อมในอยากอ้าวเราพบครูบาอาจารย์ผู้ท่านเป็นอดเป็นธรรมเป็นผู้มีกายวาจาใจสงบสุขท่านเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามก็เป็นการดีเมื่อพบแล้วเราอย่าให้พลาดจากสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามซึ่งจะ เกิดขึ้นได้ภายในจิตใจของเราด้วยการปฏิบัติของเราที่วพระพุทธเจ้าไม่ทรงปู่ขาดแต่ทุมได้รับผลโดยทั่วถึงการเมื่อเหยียดสมบุญแล้วนี่หมายขนอนเข้ามาหาเราโสตาก็แปลว่ากระแสะกระแสพันธุพานพาดถึงถึงเราก็จะไปฆ่าไปหมดเรากระแสะพรัสดาเป็นยังไงกระแสความแคบลึกตื้นอยาละเอียดขนาดไหนจะฆ่าไปนั้นเนี่ยเป็นโลกไปอีก โสตะแต่ละกระแสพูดถึงกระแสพาดถึงขอให้มีความล่อมเย็นภายในจิตใจเถอะจะกระแสไม่กระแสก็ตามกิตดวงนี้เองจะเป็นทันยิฐานไม่ใช่อะไรจะเป็นทันยิฐานบ้านเป็นบ้านเรือนเป็นเรือนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินฟ้าอากาศเป็นแต่ละทินอันของเขาไม่สามารถที่จะมาปรับตรุงให้เป็นทันยิผานได้หรลย จะปรับร ป, ร, ร, ร, ะะป ร, บรุงให้เป็นพระโสดาก็ไม่ได้ท้าสกิทาคาก็ไม่ได้พระนาคก็ไม่ได้พระอรหันต์ก็ไม่ได้แล้วจะปรับปรุงให้เป็นพระนิพพานได้อย่างไงนอกจากจิต ด, ดวงเดียวเท่านี้เป็นผู้สามารถที่จะเป็นไปได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่ปุกปิตกําบังมืดิดปิดตาอยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้ประเดิมดับความสงบมาเอง ที่ไม่สงบ ก, ก็เพาะสิ่นนี้เป็นผู้ก่อกวนเป็นผู้ยุแย่ให้วุ่นวายอยทั้งวันทั้งคืนดืนูเลยนั่ ง, งนอนหาแต่เรื่องวุ่นวายตัวเองก็คือเรื่องของกิเลสได้คนสงบได้อย่างไงเรื่องของกิเลสยิ่งไม่ใช่ของดีแต่ให้แต่อะไรมาสมแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงตําหนดตลอดนมะสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นอย่งนั้นถือว่าเป็นของดีนี้ก็ต้องได้บ่นกันอื้อไปหมดมันดีทั้งได้บ่นกันการที่จะได้บ่นกันมานี่ก็เพาะร่องของกิเลสพาให้ได เกิด ท, ทุกข์เกิดความลำบากให้ใโดยบน่นหาจินสร้างสมณะธรรมขึ้นที่นี่สมณะแปล ว, ว่าความสงบเมื่อสงบแล้วก็จะค่อยกลายเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นไปโดยลดับภายในจิตใจของเราการปฏิบัติเพื่อบรรลุสมณะทั้งสีนี้ปฏิบัติอย่างไรนายธรรมจะกลับวัฒนสูตรท่านแสดงไว้เป็นรวมๆไม่ค่อยละเอียดละอออะไรมากนะ ผู้ขังอเดียสัจจังสัจธรรมอันหนึ่งท่งานนั่งชาติไปดูขาชราไปดูขาา้ขามมานำไปดูขโโังโสกไปเทวทุกโรมาลคุตาญาติเลื่อยว่าไปนี่เป็นเรื่องของความทุกข์ทุกนี้ที่แสดงตัวมานี้มีสาเหตุเป็นมาจากอะไรก็เป็นมาจากความเกิด เกิดเป็นต้นเหตุที่ให้เกิดความทุกข์อย่างนี้ตัวเกิดจริงๆเป็นต้นเหตุมาจากอวิชชาปัจญาสร้างฆาตน่ะแล้วอะไรที่ทําให้เกิดขมไม่ใช่อวิชชาปัจญาสร้างฆาตจะเป็นเพราะอะไรท่านขึ้นตรงนั้นเลยถ้าอาจารย์มั่นท่านแยกตรงนี้อีกหน้าฟังมากถ้าวิาติปูภูต่างอวิชชาปัจญาสร้างฆาตน่ะอวิชชามันไม่มีที่ที่อยู่ที่อาศัยไม่มีที่เกิดไม่เกิดได้อย่างไรมันอยู่ได้อย่างไร ก็ต้องอาศัยถีติภูตังคือธรรมชาติที่เป็นเป็นอยู่คือธรรมชาติที่รู้ทันหวันหมายถึงใจทันภูกแยกออกมาถีติภูตังอวิชาปัญญาสร้างขารานี่เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาอันนี้เลยอันนี้มีแยกออกเป็นสามประเภทฮันธีรากัสหตาตาตาตา ต, ตรายพลณมีเส้ยที่ดังกาณาตนาภวังนี้เพรภวตันหา นี่แหละคือสมูทไทยสมมติสมมติอย่างอธิษฐ์าาจังสมุติไทยอาริษฐ์จังก็ได้ฮะนี่ก็เป็นอธิษฐ์แล้วจะนําอะไรเข้ามาแก้สมูทไทยเลยสัตว์นี้ล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่จะทําจิตให้ขุนมัวเป็นเรื่องเป็นธรรมชาติที่ควงจิตใจให้ขุนมัวเป็นเป็นตมเป็นคนได้ทั้งนั้น ในบรรดาสมุทไทยมากน้อยที่กล่าวมันการมาตัญหาก็ตา ม, ตาามภาวะตัญหาก็ตามวิภาวะตัญหาก็ตามเป็นความหิวความโหยความทนอยู่ด้วยความภาสุขสบายไม่ได้ความหาความสงบสุขอยู่โดยลําพังตนเองไม่ได้เพราะความมาตัญหาต้องหิวต้องโหยต้องดิน้นต้องร้อดิ้นไปทางนี้ดิ้นมาทางนี้ดิ้นปร ะ, ปประาทาระหน aşk, ึนนหนนห่งเป็นการปัะหาดิ้นมาถึงหนึ่งเป็นภาวะตัญหาดิ้นประทหนึ่งเป็นวิวตัญหามันล้วนแล้วตแต่ ควหิวโหที่จะทําให้จิตใจดิ้นด้วยอนาจของที่เด็ดเหล่านี้เป็นเครื่องกดถีบ่บังคับหรือรีดไถพูดอย่างไรเอาอย่งนี้อืทุกข์จิตที่ทรงตัวมาได้การปกติของจิตก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ทําลายนี่เป็นผู้ก่อกวนเป็นผู้ยุย่ยแย่เป็นผู้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะแก้นี้ด้วยวิธีใดท่านสอนสมาธิฏฐิสัมมาสังกปรขึ้นเลย มัคคะอริยสัจจ์เป็นเครื่องแก้ธรรมชาติที่กอ่อควรวุ่นวายให้จิตมีความละสัมละสายไปเพราะอํานาจแห่งความหิวโหยพ้นอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจากระบุคคลถ้าเกิดความหิวโหยขึ้นมาแล้วไม่ได้ทางสุจริตเอาทางสุจริตไม่ได้ทางทแจ้เอาทีรับเอาจนได้เพราะความหิวโหยมันบีบมันบังคับให้ต้องทำเหตุเพราะความหิวโหยคือตัณหาสนามแต่ว่าความเทวทยานความอยาก หมายถึงความหิวนั่นเอง ม, มันบีบบังคับจิตใจให้ต้องเสืยดต้องคลานไปต่างๆนานาเพราะอยู่ใต้หน้าท้องมันต้องเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะเหตุนี้เองแต่ทุกเพราะอะไรเพราะทุกข์เพราะสมุทัยเป็นผู้ล่าผู้เข็นให้ถลอกออกเปิดไปทั้งวันทั้งคืนเรื่อดินาอ่ออาการที่คิดออกมาแง่ใดนี่จะถูกสมุทัยนี่ฉุดลากเข็นเข็นตีทั้งนั้น นล้วเราจะเอาอะไรมาดับสิ่งเหนี้มากแก้สิ่งนี้ต่างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจามัสมากรรมโตสัมมาอะคีวะสัมมาวายุสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะต้องปราบปรามทิเดชทั้งสามประเภทนี้ให้สิ้นซ่าลงไปจากจิตใจไม่มีเครื่องมืออื่นใดที่จะเหนือไปกว่ามัชฌิมาปจิบทานี้น่กเนี่ย ขมาจิติความเห็นชอบเห็นอะไรถึงชอบเวลานี้มันเห็นผิดทั้งนั้นการมาตัญหาคือความเห็นผิดเพราะวตัญหาคือความเห็นผิดทพิพัวว่าตัญหามันด้วนแด้ตั้งแต่เป็นเรื่องของความผิดทั้งนั้นมันถึงได้เป็นกล่องผิดอืมมันทำไมมันถึงชอบมันทำไมมันถึงรักรักเาะเหตุอไรมีปัญาโค้นลงไปมันก็ไม่หนีจากกายมุงกันรักการนี้ก่อนอื่นรักกานี้ก็รักการนั้นระสว่างการมาตัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ แยกหาเหตุหาผลออกมานั่นรักเพราะอะไรรักเงื่อนรักหนังรักเอ็นรักกระดูกรักผมรักขนงั้นหรือของใครของเรามันเป็นเหมือนกันรักอะไรมันแยกให้เห็นเหยือทิฏยาที่แยกหรือทําการแยกเช่นนี้ท่านเรียกว่ามรักสมาทิิคือปัญญาใครกรองกันกรองดูหาสิ่งที่มันยึดมันถือถ้ามันยึดถือเพราะอะไรมีสาระคุณอะไรมันถึงได้ยึดถือความยึดถือ แทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์เกดิดความถูกความสมารมันกลายเป็นไฟขึ้นมาทั้งกองให้เกิดความลําบากลาบนทนทุกข์ทรมานเพราะความยึดความถือความยึดตรงถือมาจากความนั่งทันติดเข้าใจว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเรามันเป็นความผิดไปทั้งนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้ให้เห็นตามความจริงของ ม, มันธรรมสอนทิจารณากายเอการเลขตาสติอ้าวทิจนาไปทั้งข้างนอกข้างในข้างบนข้างหลางภายในภายนอกพิจารณาให้ละเอียดทวถึง ทำแล้วทำเล่าจนเป็นที่เข้าใจแต่แจ้งชัดเจนนี่เรื่องของปัญญาหนีเป็นเครื่องปราบความอยากความหิวความกระหายซึ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสไม่มีอันใดที่จะระงับหรือดับสิ่งนี้ให้มันหายความอยากนี้ได้นอกจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโปรอันเป็นองคมรกคแปมเท่านั้นนี่มรรคะอริยสัจจงมีเครื่องหนุ่ม ดำเนินก็ดำเนินตามนี้ปัญญาเป็นเครื่องมือคว้าฟันลงไปที่ตรงกงไหนที่มืดที่ดำกงนั้นล่ะอัธรพรตมันอยู่ที่ตรงนั้นที่ปัญญาดังตามไม่ถึงที่ตรงไหนตรงนั้นจะจเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็บุคคลขึ้นมาเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาขึ้นมาที่ตรงนั้นปัญญาสอดแทรลงไปให้เห็นลงระตามความจริงแล้วเปิดเผยขึ้นมาอืไม่มีธรรมชัติไม่มีบุคคลไม่มีสัตว์ไม่มีเขาเราไม่มีมีได้ยังไงปัญญา อย่างรวมถึงความปีนเนี่ยชิ้นงานนี้เป็นเรื่องจำป้อ ม, อมจําป้อมเกิดมาจากที่เด็กเป็นผู้เสรียสังเกเท่านั้นไม่ไม่ใช่ผู้อื่นใดที่จะมาเสียสังเกตทีปัญญาตามล้างชะล้างให้สะอาดมันไปในของเจ้ปรวกอย่างนี้ถอนตัวขึ้นมาที่ถูกกดท่วงเพราะอำนาอุปท า, านมาเป็นเวลานานปัญญามันพูดถอดถอนขึ้นมาถอนกรรมสิทธิ์ไม่ปักปัเกนเศษแดงาว่านั่นเป็นเราเพ่งเรา เหตุแดนของเราที่ทําให้ความเกิดความทุกข์ความลาบากเฉพาะอย่างยิ่งก็ในวงแห่งขันทั้งห้านี่ยมันเป็นเหตุแดนที่เราปักปันเราอืมันนั่นเป็นเนานี้เป็นเนาเมื่อเป็นเนาหนังเป็นเนาเอ็นเป็นเนาก็ดูกเป็นเนาแขนเป็นเนาขาเป็นเนาเป็นของเราอวยยวะทุกชิ้นทุกส่วนเป็นเราเป็นเราเต็มที่นี้หมดเนี่ยนี่มันปักปันจุดแดนเราทั้งๆที่สิ่งตรงนี้เขาไม่รับทราบรับมู้อะไรจากเรา แต่เราไปปักปันเกลียดแดดเอาเมื่อมีอะไรมาร่วงล้ำหรือมีอะไรมาทาตัดทาพันให้เกิดความเกลียดความไม่สบายขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจนอกจากเกิดความทุกข์ขึ้นภายใ น, ในกายแล้วยังเป็นทุกข์ภายในจิตใจเพราะความรักความเสงวนความปักปันเกลียดแดด น, น, นั้นเป็นต้นหินเนี่ยต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมัน ท่านเรียกบอกทิกณาสัตว์จะทำด้วยกันญาสมาธิสัมาสมาสังกปความดำริชนิดใดที่เป็นไปเพื่อการถอดถอนกิเลสปัญญาประสังกปฉันทว่ายิงสาสังกปะองค์ผวาไม่พยาบาทไม่เดือดเดียน เร in ื่องขงเฉลี่ยเป็นการพยศนบัตรเป็นการเดือดเย็นตัวตนโดยหลักธรรมชาติก่อนที่จะระบาดออกไปกระเทือนคนอื่นต้องกระทบกระเทือนตนซะก่อนเดือเย็นตนซะก่อนถ้าความผิดของจิดเดือดหน้าของขี้นี่สัมมาสังโปจึงต้องแก้กันตรงนี้รวมกันแล้วสัมมาสังกปกับสมาทิฏิิมันก็เหมือนกับว่าเชือกสองเกลียวที่ฟั้นกันเข้าเป็นเกลียวเดียวนั่นเองอแล้วเต่ เชือกเส้นหนึ่งขึ้นมามีกำลังท่านแยกอาการได้เฉยแล้วก็คือเชือกหมุ่งเส้นหรืเชือกเส้นหนึ่งนั่นแหละรวมทั้งแปดนั้นก็มาเป็นเชือกเส้นหนึ่งนั่นแหละปัญญาเราจะพิจารณาอะไรธรรมพิจารณาแก้สิ่งที่ทั่วพันธจิตใจของเราอยู่เวลานี้เราแก้ที่ตรงนี้เรียกว่าสมาธิิสมาธิังกัะโปร นี่แหละมัดเท่านั้นคือจะแจ้พิเ ร, ร็ออกจากจิตใจของเราได้ถือร่างกายหรือถือขันนี้เป็นเวทีค้นคว้าด้วยสติปัญญาต่อสู้กับความรุ่มหลงของตนซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันบนเวที คือรูปเวทนาสัญญาตั้งขานดินอย่เอาตรงนี้เป็นเครื่องพิสูจน์หรือพิสูจน์สิ่งแบบนี้อันนี้เป็นป้าหมาแห่งการพิจารณาหเห็นตามความจริงเท่าไรเทศไประชืดไม่สะดวกใจถ้าเทศลงตรงนี้แล้วมันถนัดเพราะนี้เป็นตัวจริงวิเลย ก, ก็อยู่ที่ตรงนี้มรรคก็อยู่ที่ตรงนี้ฤทธสัจธรรม ทุกสมุทัยก็อยู่ที่ตรงนี้นิโรธกับมากก็อยู่ที่ตรงดับที่เดชโดยดั่มดับดับแล้วนิโรธคือความดับทุกข์เป็นไ้่เรียกว่าจะไม่ดับได้ยังไงตติปัญญาเป็นเป็นทุกข์ฟาดฟันที่เดชทิพหายตายลงไปก็เป็นการดับทุกข์ไปโดยดั่มดับดับเนี่ยใครจะไปตั้งหน้าตั้งตาทํานิถีดธทาการดับทุกข์โดยไม่ต้องนําหนือมาเป็นไปไม่ได้ท่านบอกว่า นิโรธควรทําให้แจ้งจเจ้าอะไรไปทําถ้าไม่เอามนาักไปทําให้แจ้งขึ้นมาซึ่งนิโรธเราจะพยายามไปทำนิโรธให้แจ้งให้เฉยโดยไม่อาศัยมากเป็นเครื่องบุกเบิดทางแล้วไม่มีทางเพราะทํานี้เป็นอาการท่านสอนไม่ตามอาการเฉยๆลักใหญ่แล้วพอจอลงไปในจุดหนึ่งจะกระเพื่อนถึงสัจธรรมทั้งสี่นั่นแหละอืทํางานพร้อมกันหมุนกับจับตัวเลขตัวใหญ่ทํางานพร้อมกันในโรานอังานอยู่กัน ถ้าเราไปแยกไปแยกงั้นเราแล้วเท่านั้นแหละเราต้องพิจารณาลงไปให้เห็นชัดโลกให้เห็นชัดถ้าเห็นรูปชัดและเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไม่ไหวรูปเป็นรูปเวทนาเขาักดิเป็นนามธรรมหาตนหาตัวหาเป็นสัตวเป็นบุคคลหาเราหาเขาได้ที่ไหนกับเวทนาไม่ว่าจะสุขเวทนาหรือทุกขเวทนามันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เราเป็นเป็นเป็นตัวเป็นจัดเป็นบุคคลที่ไหนไดน้มันเป็นนามาทําเพี้ยสนั้นปรากฏขึ้นให้จิตได้ทราบว่าอาการนี้มันปรากฏขึ้นมาเป็นลักษณะแห่งความทุกข์เป็นลักษณะแห่งความสุขแล้วก็ดับตรงไปตามเหตุปัจจัยที่พาให้ดับเนี่ปัญญาที่มีทางที่จะทราบได้ตามสิ่งที่มีอยู่เพราะไม่ใช่เป็นของนี้รับเป็นสิ่งที่เปิดเผยได้สิ่งที่มีอยู่ปรากฏขึ้นมาของอขันนั้นๆ ลูประคันก็เห็นอยู่ทุกวันทุกเวลาพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายพาดูนพาเดินก็พารูกประคันนี่เองครับเลยพาอยู่เวทนาขันก็ทุกเวลาเดี๋ยวนี้มันก็แสดงอยู่ให้เรารู้อยู่ในสุดก็ทุกมันสลับเปลี่ยนกันไปมาเนี่ยสําคัญที่ใจยอย่าให้ทุกข์ด้วยทุกข์ให้ทราบว่าขันนี่มันเป็นไอ้จังทุกข์ขันาตาจะให้จิตไปยุ่งกับเขามันก็ไม่เป็นทุกข์ทัง เวทนาเวทนาเทศทุกวันเวทนาเอาให้เข้าใจพิเรฒมันเกาะแน่นอยู่กับขันห้านี่ไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่ทราบว่าของเก่าของใหม่มันเกาะสะจนแน่นเกาะมาขี่วันขี่ปีขี่เดือนเพราะฉะนการพิจารณาวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาหนึ่งจริงไม่พอการเทศวันหนึ่งเวลาหนึ่งจริงไม่พอต้องเทศซ้ําเทศ ท่ามกันให้มันเข้าใจให้เป็นที่แน่นอนพิจารณาก็ให้พิจารณาเป็นเป็นที่เข้าใจแน่นอนแล้วมันต่อเองเอให้เห็นชาติเวทนาทุกเวทนามีที่ไหนมากนี้ที่ไหนก็คือทุกเวทนาจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นธรรมชาติความฝินเขา อ, อยู่เช่นนั้นสัญญากับจาได้เราเคยจำมาเท่าไหร่ ต้งแต่มันเกิดไปตั้นี่มีนื้อหาอะไรถ้าว่ามันเป็นจนเป็นตัว เ, เป็นสัตว์บุคคลจริงๆแล้วเอามาใส่ตู้คงจะไม่มีตู้ที่ไหนใส่ละเพราะมันจํำไม่หยุดไม่ถอยแต่พอจําแล้วมันผ่านไปผ่านไปผ่าน ไ, ไ, ไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแหมเอาสาระแสงสารอะไรกับสี้ขอ ง, งขานปรุงวันดั้งคาคืนนุ่งนุงปรุงก็จนร้อนโหม ก, ก็มีถ้าปรุงมากๆตรุงจะแทบหัวใจจะไม่ทํางานเคียไปหมด สังขารคือความปรุงถ้าไม่ระงับมันด้วยสติปัญญาไม่มีทางระงับแล้วตายด้วยมันได้จริงๆเช่นอย่างคนคิดมากเพราะความเสียใจยเรื่องของยิเลสมันเอาสังขารเป็นเครื่องปรุงเป็นเครื่องมือมันผลักดันออกมาให้ปรุงแล้วหยุดไม่ถอยสำคัญนั้นสำคัญนี้ทั้งสัญญาทั้งสังขารเป็นเครื่องมือของยิเลสแล้วก็พุ่มลงไปที่หัวใจของเราเให้เกิดความทุกข์ความทรมาน น, น้อยแค่ไหน มากนาดนั้นเป็นบ้าได้คนเดาข้าพามีมนนากอันดีก็เลยลสังขารวิญญาณก็เพียงรับทราบรับทราบแล้วดับไปพร้อมดับไปพร้อมเลยเนะี่ยคือรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสมีสาระแต่งสารที่ไหนนี่เราหลงสิงตรงนี้แหละแล้ไม่หลงที่อื่นนะภายนอกนั่นมันก็เป็น ผลพอยได้ของกิเลสไปอีกประเภทหนึ่งคนนั้นลกากใหญ่จริงๆมนอยู่ที่ตรงนี้จึงต้องพิจารณาที่ตรงนี้ให้เห็นชัดนี่เรียกว่าดําเนินมรรคกับปฏิปทาหรือเรียกว่ามารรคสัจเครื่องแก้วความมุ่งหลงความดิบมั่นถือมั่นของจใจถอดถอนตัวออกมาใจจะได้สบายหายห่ยหวงจากสิ่ง น, นี้ น, นั้นปล่อยวางได้แล้วอันนี้มันก็ไม่ถึงการพเวลามันมันก็ไม่สลายถึงแม้จะยึดถือมันจะทลายประตามเมื่อถึงการมันแล้วห้ามไม่ฟังมันก็ไปเข้ามาเพราะเป็นคติธรรมนาซึ่งเรียกว่าทางหลวงใครจะไปกั้นกลางของห้ามไม่ได้มันต้องเดินตามทางหลวงตามคติธรรมดาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากทั่วโลกลินแดนเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นจะมาเรียกว่าเป็นทางใหญ่ทางหลวงได้อย่างไร ใครจะไปติดกังกันหว่วงห้ามมันเป็นไปได้พิจารณาให้เป็นไปตามความจรินของมันที่เรียกว่าคนไม้ตามลมอย่าไปขัดขวางทำพระเจ้าให้รู้ตามความจปีนใจก็จสบายใจอยู่กับกิเลสใจอยู่กับความวุ่นวายผลแห่งความวุ่นวายก็คือความทุกข์เราเคยเห็นโทษของมันมาแล้วทีิให้ใจอยู่กับธรรม ใจอยู่กับสติจะอยู่กับปัญญาใจะจะได้มีความปลอดภัยใจะจะได้มีความร่มเย็นขึ้นชั่วขี้เล่นแล้วมม่ว่าอยู่ที่ไหนพยายามแก้ให้หมดแก้ภายนอกได้แล้วเข้ามาแก้ภายในธาตุในขันภายในธาตุในขันแล้วแก้ภายในจิตด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันจนกระทั่งทะลุปปกุโปโภคไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยคำว่าตนมาตัวว่าสต์ว่ววบุคคลมันหมดปัญหาไปในทันทีทันใดเมื่อที่เด็ก ซึ่งเป็นตัวเสดสันว่าเป็นสัตว์บุคคลได้ชิ้นลงไปจากจิตใจแล้วมันหมดไปเองธรรมะถัด ก, ก็ตามบุคคลก็ตามไม่คิดให้เสียไปได้เมื่อไรยิงอย่างไรก็อยู่ตามความบิดล้วนๆนันเีื่อคู้หายกังกลหาหายจริงๆขายที่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่สัจธรรมที่นี่สัจธรรมก็คือทุกข์กายทุกข์ใจ นีเรียกว่าทุกขสัจสมุทยัยเรื่องของจิตปัญหาสมาทั้งหมู่นี่เรียกว่าสมุทยัยยักษสัจมัดมีสมาธิจิตเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดนี่คือเครื่องมองือเรียกว่าสัจธรรมประเภทศเนี่ยเป็นเครื่องแก้ที่เละคือตัวสมุทยัยให้หมดสิ้นไปนี่รวดก็ดับไปตามปันโดยลํานังดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอด ในสมุทายตัวทั้งคำซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่มีอะไรเหลือแล้วนิโรดแสดงความดับทุกเพราะที่เลกดับไปจากใจในขณะนั้ น, นขณะนั้นอย่างเต็มผูผู้ที่รู้ว่านีทุกดับไปที่เลกดับไปเพราะสมุทายเป็นเครื่องทำลายนั่นคือวิมุตไม่ใช่สัจธรรม นั่นคือผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่สัจธรรมทั้งสี่นั้นสัจธรรมเป็นเครื่องก้าวเดินเท่านั้นเมื่อถึงจุดหมายปายทางแล้วสัจธรรมทั้งสี่นี้ก็หมดความหมายไปตามหลักธรรมชาติของตนโดยไม่ต้องตระกดขี่บังคับให้สิ้นให้สุดให้หมดความหมายหากเป็นไปตามเรื่องเช่นเดียวกับเราก้าวจากบันไดขึ้นสู่สถานที่ มันเป็นจุดที่ต้องการแล้วบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปอย่างนั้นมีเรื่องของมรคคือสติกับปัญญาเป็นต้นจะทําทหน้าที่ให้สมบูรณ์เต็มภูมิจิตได้ถึงขั้นแห่งความดุพ้นแล้วเรื่องสติปัญญาที่จะเพื่อแก้ไขกิเลสปัญหาสวัสดิ์ทั้งมวลก็หมดปัญหาไปตามๆกัน mm hmm. นี่แหละคือความเด็น ของเราเองนี่แลคือสมณธรรมหรือสมณะที่สุดยอดสมณะที่สี่สมณะที่หนึ่งคือพระโสดาสมณะที่สองคือพระสกิทาเจอมาเป็นลําดับลาดับสมณะที่สามพระนาคาเราเจอมาเป็นลําดับด้วยการปฏิบัติของเราสมณะที่สี่คืออรหัตอรหัตธรรม เราเจอเต็มภูมิด้วยมรรคปฏิปทาอันแหลมคมนี่เป็นผู้ทรงไว้แล้วซึ่งสมณะทั้งสิบรวมยธนาจิตใจของเราเอตมังครมุตตมังเป็นม ง, มงคลอันสูงสุดอยู่ที่ใจของเราเองไม่ต้องไปหาสิริมงคลมาจากไหนใจที่พ้นจากเรื่องกดทั้งหลายถึงความรูสุกเต็ม ภูมิแล้วนั่นแหละคืออันเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นภูมิที่กลามาทั้งหมดนี้ไม่อยู่ในที่อื่นใดสัตร์ธรรมก็ดีสมนาญที่สี่ก็ดีหรือตั้งแต่ที่หนึ่งที่สองที่สามจนกระทั่งถึงที่สี่ก็ดีอยู่กับผู้ที่รู้รู้นี่แหละเป็นผู้ที่จะรับทราบเป็นผู้จะส่งไว้ซึ่ง ธรรมะทั้งสี่และเป็นผู้ที่จะทําหน้าที่กดเครื่องตนออกจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายจนถึงขั้นอิสระเสรีคือสมณะที่สี่รวมอยู่กับเรานี้ทั้งหมดสรุปแล้วอยู่กับผู้ที่รู้รรเวลานี้งผู้นี้เป็นผู้ตายตัวอย่างยิ่งคงเส้นคงวาที่จะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่าง พิเรศ ก, ก็ทําลายจิตนี้ให้ชิบหายไปไม่ได้จะทําลายสิ่งใดได้ก็ตามพิเลศแต่ไม่สามารถที่จะทําลายจิตจะทําจิตให้รับความลําบากนั่นเป็นไปได้แต่ว่าจะให้จิตชิบหายเพราะพิเลศนั้นเป็นแต่ไม่ได้ราะธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติที่ตายตัวหรือเรียกว่าคงเส้นคงวาเป็นแต่เพียงว่าสิ่งมาเกี่ยวข้องหรือมาคาดเข้ า, ขาทำให้เป็นไปต่างๆนั้นเป็นไปได้เมื่อสนัดปัด หรือชาล้างสิ่งนั้นหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วธรรมชาตินี้จึงทรงตัวได้อย่างเป็นพูนนถ้าเป็นบุคคลก็เรียกว่าสมณะที่สี่อย่างเป็นภูนถ้าเรียกว่าเป็นธรรมก็อรหัตตธรรมยุภาณา จ, จิตดวงนั้นผิดตรงนั้นเป็นธรรมทั้งทั้งดวงจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเป็นได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะค้านไม่มีอะไรที่จะแย้งเมื่อไม่มีกิเดลดมาแย้งแล้วไม่มีอะไรแย้ง ยิ่งเด็ดหมดไปแล้วจะ อ, อะไรมาแยง้งไม่มีนั่นความหมดเรื่องหมเราหมดอะไรหมดที่ตรงนั้นความดับทุกข์ดับที่ตรงนั้นดับพบดับชาติดับที่ตรงนั้นที่อื่นไม่มีที่ใดเป็นที่ดับการไปเกิดภบเกิดชาติก็คือผู้นี้แหละเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติเพราะเชื้อของภพของชาติมาจากยิ่เด็ดอยู่กับกจิตจิตติงต้อง เล่เล่ล่อนล่อนไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้รับความทุกควา ม, มามาโดยลำดับกํานาเพราะมีเชื้อพาให้ไปมีเครื่องหนุนพาให้ไปเมื่อสนัดปัดสิ่งปัจจัยหรือเครื่องหนุนอะไรเชื้ออะไรออกหมดแล้วจึงหมดปัญหาหมดลงที่ตรงนี้ขอให้พากันิพพินานาเอาให้ได้คานี้เป็นได้มีได้สามารถ รู้ได้เห็นได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งอังกวดได้คาราวาสด้วยการปฏิบัติของตนไม่ขึ้นอยู่กับเพศกับใบใดทั้งสิ้นขอยุติเพียงเท่านี้